สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับเราอยู่ในหนังสือ20กฎทองคำของท่านาศาสนาจารย์ด็ p h i l อร p ฟิลิปเทงซึ่งแปลโดยอาจารย์สุพิษวิจักโยทินนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในกฎข้อที่4กฎข้อที่สนั้นมีชื่อว่ากฎแห่งความเป็นและความตายและเราอยู่ในหัวข้อที่4ครับข้อพระกรมพีที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งความเป็นและความตาย ปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลเทียบทที่สองข้อยีกาลเทียบที่สองข้อยีโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เอง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 ผมขออนุญาตเป็นพยานในตอนที่ผมเด็กๆอยู่นั้นขณะเข้าค่ายจำได้ว่าวิทยากรค่ายได้ใช้พระคัมภีร์ข้อนี้ครับและได้เทศนาในรายละเอียดที่าศาสนาจารท์ดรฟิลิปเทงได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เลยครับและพระคัมภีร์ข้อนี้ก็ได้ให้มุมมองใหม่ในชีวิตของผมเองและ ชีวิตของผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อใดก็ตามที่ผมเชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้และยอมให้พระวจนะของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพังก์พีตอนนี้ก็เกิดขึ้นจริงโดยิ์เด็กขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระคำของพระองค์นั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ผมก็อธิษฐานขอให้ผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านที่ได้ฟังในวันนี้ ก็จะได้เกิดการทรงนำของพระเจ้าและการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่ผมได้เคยเป็นและได้รับจากพระเจ้าเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับกลับมาดูในหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากเมื่อได้อ่านแล้วโดยการทรงช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทาให้เกิดสติปัญญาศา ส, สนราจารย์ฟิลิปเทงันได้ให้ เจ็ดประเด็นหรือ7ประการด้วยกันครับที่ท่านเองนั้นได้ขยายและอัดทาธิบายพระคัมพีตอนนี้ได้อย่างละเอียดเมื่อวานนี้เราได้อยู่ที่สามประเด็นแรกสามประการแรกนะครับผมขออนุญาตทบทวนเล็กน้อยสามประการแรกประการที่หนึ่งก็คือว่าเราเห็นการตายสองครั้งที่ไม้กางเขนพี่น้องครับการตาย ครั้งแรกเลยก็คือการตายของพระเยซูซึ่งโปรงไถ่บาปเราการตายอย่างที่สองประการที่2ก็คือการตายที่เราเองกับพระเยซูได้ตายไปด้วยกันข้าพเจ้ายือนอยู่ในฐานะของคนชอบธรรมตายพร้อมกับพระองค์และการตายนี้ทาให้ก่อเกิดชีวิตใหม่ในข้าพเจ้าก็คือดำเนินชีวิตไปสู่ความชอบธรรมครับ ประการที่2ก็คือข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปหมายความว่าเราจะต้องปฏิเสธความเป็นตัวของเราเองปฏิเสธอีโกอิซึมประการที่3ครับแต่พระคริสต์ต่างหากมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้านั่นหมายความว่าเราจะต้องให้ชีวิตของเรานั้นมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางพระเยซูคริสต์เท่านั้น Jesus อแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเยซูเท่านั้น เป็นทางเดียวพระเยซูเท่านั้นเป็นความรอดของเราพระเยซูเท่านั้นเป็นผู้ที่เราตรึงไว้กับพระองค์พระเยซูเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่ยอมสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปเราเพีอง mm hmm. ครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูในประเด็นที่4567นะครับในประเด็นที่4ี6ห้ากนั้นท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงได้ให้ความกระจ่างในเรื่องที่ว่าเราเองนั้น มีคนสองคนอยู่ข้างในครับฝั่งหนึ่งก็คือเป็นคนชอบธรรมฝั่งหนึ่งเป็นคนบาปสองคนที่อยู่ข้างในนั้นคนหนึ่งเป็นคนบา <y> ปนนบที่จะต้องตายอีกคนหนึ่งเป็นคนชอบธรรมที่จะต้องเป็นของพระเจ้านั้นต้องการให้คนที่เราจะต้องเป็นก็คือเป็นคนชอบธรรมส่วนคนที่เราจะต้องตายนั้นก็คือความบาปและคนบาปที่ ตายหลงไปเรื่อยๆนั่นแหละครับคือภาพของการถูกตรึงไว้กับพระเยซูและมีชีวิตใหม่ร่วมกันกับพระองค์พี่น้องครับเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับที่พระเจ้าสั่งซ้ายหันขวาหันแต่เราเป็นคนเป็นๆที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเองการดำเนินชีวิตของหุ่นยนต์ไม่มีความหมายอะไรครับแต่การมีชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสูงสุดนั้นจะมีความหมายมาก เราจะต้องเป็นคนที่นำความตั้งใจของเรานำความปรารถนาของเรานำกำลังวังชาของเรานั้นไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์นั่นแหละครับชีวิตจึงมีความหมายและจำเรินขึ้นสู่ความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ตัวตนที่เราจะต้องปฏิเสธนั้นก็คือตัวตนแห่งความบาปเราจะต้องปฏิเสธให้ตัวตนแห่งความบาปนั้นตายไปเรื่อยๆนั่นคือการปฏิเสธตัวเอง เพราะฉะนั้นนี่คือภาษาธรรมนะครับภาษาธรรมตรงนี้ก็คือเป็นภาษาที่เปรียบเทียบให้เห็นความหมายว่าเราเองนั้นจะต้องปฏิเสธตัวเองปฏิเสธการใช้เสรีภาพในทางที่ผิดเราต้องปฏิเสธการยกตัวเองและคิดว่าตัวเองชอบทำด้วยตัวเองได้ข้าพเจ้าคือผู้ที่คุณภาพชีวิตถูกเปลี่ยนไปพี่น้องครับนั่นคือชีวิตอีกชีวิตหนึ่งแต่ข้าพเจ้าจะต้องเอาชีวิตจอมปลอมทิ้งไปให้หมด ชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาปจริงไปให้หมดข้าพเจ้าต้องปฏิเสธความเป็นจอมปลอมหรือเฟกและยืนยันตัวจริงของข้าพเจ้าและเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นคืออีกความหมายหนึ่งครับซึ่งเป็นความหมายประการที่4ผมอยากจะสรุปความหมายนี้ก็คือว่าเราจะเห็นตัวตนสองตัวตนที่อยู่ข้างในเราซึ่งเป็นคริสเตียนพี่น้องครับตัวตนแรกก็คือตัวตนแห่งความบาปซึ่งจะต้องตาย อีกตัวตนหนึ่งคือตัวตนแห่งการบังเกิดใหม่ที่จะต้องเป็นได้ต้องมีชีวิตอยู่และการเป็นมีชีวิตอยู่นั้นก็คือการที่เราจะต้องหลอมรวมเอาความปรารถนาของเราเอาความตั้งใจของเราเอากําลังวังชาของเราทุกอย่างของเรานั้นไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันกับพระองค์นั่นคือการมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับพระเยซูการดาเนินไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ประการที่5ครับวิริท่ว่าชีวิตที่ข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในร่างกายนี้ข้าพเจ้าดําเนินอยู่โดยศรัท ธ, ธาในพระบุตรของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในประเด็นนี้ประการ น, นี้ก็ต่อมาสืบเนื่องจากประการที่4ครับคนที่มีชีวิตใหม่เขาจะต้องอาศัยหลักการและความเชื่อความศรัท ธ, ธานั้นเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานเป็นฟาวเดชันของการดําเนินชีวิตของเขาต่อไป โดยความเชื่อศรัทธานี้เองที่เรียกว่าเฟสนั้นทําให้มีความผูกพันกับองค์พระคริสต์พี่น้องครับความเชื่อทําให้เกิดสมอย่างอย่างแรกคือ1ความผูกพันกับองค์พระคริสต์อาศัยความเชื่อเขาสามารถมีสามัคคีธรรมกับพระเยซูเจ้าได้เขาสามารถที่จะทูลขอเขาจะมาสามารถที่จะให้ชีวิตของเขานั้นได้รับฤทธิเดชจากพระองค์และมีความอุดมสมบูรณ์การเป็นเรียกว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์จากพระองค์ได้ น, นั้นเป็นประการแรกประการที่สองครับความเชื่อนั้นทําให้เกิดการผาเจญทุกสิ่งได้ในฟิลิปีบทที่ 4- ี่ข้อสิครับท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวคําที่ตื่นเต้นประหลาดใจว่าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าพินักับชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลนั้นได้พิสูจน์ถึงความจริง ถ้อยคำแห่งพระวจนะของพระเจ้านั้นตลอดชีวิตของท่านตามที่เราได้อ่านได้พบได้เห็นในพระธรรมกิจการและจดหมายฝากอีกมากมายพี่น้องครับประการที่สามครับคนที่มีความศรัทธาในชีวิตเขาจะประกอบกิจการที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในพระวจนะของพระเจ้านั้นได้ให้เราไมีความเชื่อและมีความเชื่อนั้นเราจะทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ ท่านศาสนาจาัรย์ดร์ฟิลิปเทงนั้นได้ยกตัวอย่างจอชมูเลอร์ครับจอชมูเลอร์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในประวัติศาสต์คำขวัญของท่านก็คือพระเจ้าทรงอาศัยผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์นั้นประกอบกิจการที่ยิ่งใหญ่มากเพื่อให้โลกได้รับรพ้เพียงครับชีวิตของท่านศาสนาจาัรยร์จอชมูเลอร์ก็เหมือนบทละครที่แปลกประหลาดได้เล่าต่อๆกันมา เป็นที่ประทับใจแก่คนเป็นอันมากจนนับไม่ถ้วนนะครับถ้ามีเวลาเราจะกลับมาดูชีวิตของอาจารย์จอร์ชมุลเลอร์นะครับผมจะขอไปที่ประการที่6ประเด็นที่6ประเด็นที่6กนั้นเราพบในพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่2องข้อยีบอกว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้านั่นคือชีวิตที่ตอบสนองต่อความรักของพระคริสต์ครับชั่วชีวิตของอาจารย์บอลลอนนะั้นเป็นชีวิตที่ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้า พี่น้องครับผมอยากจะถามพวกเราว่าเรากําลังดําเนินชีวิตที่ตอบสนองความรักของพระเจ้าหรือเปล่าครับอาจารย์บัโล่กล่าวว่าเพราะความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่พอเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่มิได้อยู่เพื่อประโยชน์ แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เราทั้งหลายข้อความนี้ปรากฏอยู่ใน2องโคลินบทที่5ข้อ14และ15ครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับอาจารย์บาโอลบอกว่าการที่เราคิดอย่างนี้หรือเพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ภาษาเดิมนั้นมีความหมาย2ประการครับก็คือคิดดีแล้วครับประการที่2ก็คือตัดสินใจแล้วครับ นี่คือการกระทําของท่านอาจารย์ปารูท่านได้คิดถึงความรักของพระเจ้าอย่างรอบคอบและได้ตัดสินใจไม่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองต่อไปแต่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดต่อไปตลอดชีวิตของท่านได้ดำเนินไปตามการตัดสินใจแบบดีครับและไม่หันกลับเลยไม่มีการเปลีป่ยนแปลงพี่น้องครับท่านกล่าวว่าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตาย ก็เพื่ออองพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อที่8นั่นคือความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นที่ประทับใจมากที่สุดครับที่น่าประทับใจมากที่สุดจริงๆพี่น้องครับให้เรามีชีวิตแบบท่านเถครับประการสุดท้ายครับในเช้าวันนี้วลีที่ว่าพระองค์ทรงรักเราและทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าเป็นการใช้ชีวิตที่เสียสละตลอดไป พี่น้องครับองพระเยซูเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นเป็นผู้เสียสละพระองค์เองพระชนชีพของพระองค์เองพระองค์ก็วางไว้และยอมสิ้นพชนบนไม้กางเขนเพื่อเราพระองค์ทรงเรียกร้องเราทั้งหลายให้แบกกางเขนติดตามพระองค์ไปเป็นกางเขนของเราเองนะครับไม่ใช่เป็นกางเขนของพระเยซูเจ้าพระองค์ผู้ทรงเสียสละพระองค์เองและทรงเหมาะสมสําหรับสาวกที่จะต้องเสียสละตัวเองด้วยเช่นเดียวกันครับ พี่น้องครับเราเองซึ่งเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นสาวกของพระองค์เราจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างออกมาและบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือชีวิตทั้งหมดครับพี่น้องครับคำว่าชีวิตทั้งหมดนั่นก็คือว่าเราเองนั่นจะมีความรู้สึกว่าเรากำลังเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่พระเจ้าต้องการชีวิตทั้งหมดของเราพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์ทรงนาแกะของท่านไปของพระองค์ไป แต่พระองค์ไม่ได้อยู่ข้างหลังแกะแล้วก็เอาแส้เขี่ยนนะครับว่าให้เดินหน้าไปเดินหน้าไปแต่พระองค์ทรงเดินนําหน้าเตรียมเส้นทางไว้แกะก็จะติดตามไปโดยธรรมชาติพี่น้องครับชีวิตที่เสื่อะนั้นก็ปรากฏอยู่ในชีวิตของสาวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์บุโรเพราะว่าท่านเขียนจดหมายฝากและกิจการนั้นก็พูดถึงชีวิตของท่านมากมายทีเดียวมีเหตุการณ์หนึ่งครับในชีวิตของท่านอาจารย์บุโร ก็ให้เกิดการโต้เถียงกันพระคมภีได้บันทึกว่ามีผู้นําชื่อว่าอาคาบัสได้รับการดนใจจากพระวิญญาณไปสุดทำนายว่าเปาโลจะถูกมัดในกรุงเยรูซาเล็มดังนั้นผู้ที่ได้ยินเรื่องนี้ก็สงสารอาจารย์เปาโลอ้อนวอนท่านไม่ให้ขึ้นไปที่เยรูซาเล็มครับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการ บ, บทที่21ข้อที่10ถึงข้อที่14เขาเหล่านั้นตั้งใจว่าคําทํานายนี้เป็นการเตือนอาจารย์เปาโลอย่าไปที่นั่น แต่ท่านอาจารย์เบโลไม่ฟังคำเตือนครับดังนั้นก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจารย์เบโลนั้นดื้อรั้นแข็งเกินไปไม่รับคำเตือนจากพระวิญ ญ, ญาณบรยสุดอาจารย์บบโลทำตามอารมณ์ที่เป็นเนื้อหนังของตัวเองแต่ความเป็นจริงครับในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ22ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าพระวิญญาณผูกพันข้าพเจ้าไว้ที่กรุงเยรูซาเล็ม เครื่องจำจองและความลำบากทุกบ้านทุกเมืองที่คอยท่าข้าพเจ้าอยู่พี่น้องครับพระคำผีตอนนี้ชัดเจนเลยครับว่าท่านอาจารย์ปโรรู้แล้วว่าความหมายของพระวิญ ญ, ญาณมีได้ให้ท่านหลีกเลี่ยงความยากลําบากครับมิฉะนั้นท่านจะไปที่ไหนก็ไม่ต้องไปเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่ความยากลําบากทุกอย่างเพราะทุกบ้านทุกเมืองรอที่จะจัดการเช็คบินท่านอยู่ครับหากจะหลบหนี หลบลีกก็มีทางเดียวเท่านั้นคือหยุดประกาศข่าวประเสริฐและนี่ท่านแน่ใจครับว่าไม่ใช่เป็นพป้ประสงค์ของพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นเป้ประสงค์ของพระเยซูเจ้าดังนั้นเองความหมายที่แท้จริงของพระวิญญาณบสุทธิ์เป็นการท้าทายครับไม่ใช่เป็นการปิดกั้นในกรณีนี้พี่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าชีวิตที่เสียสละเขาจะรู้น้ำมันไทยของพระเจ้าเขาจะรู้อย่างชัดเจนครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา อะไรเป็นการทรงนำและอะไรไม่ใช่เป็นการทรงนำนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับชีวิตของคนที่ผูกพันอยู่กับพระเยซูเจา้าผูกพันอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ผมอธิษฐานให้ชีวิตของผมเองนั้นที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับการทรงนำของพระเจ้าอย่างละเอียดและหวังว่าพี่น้องก็จะได้รับการทรงนำของพระองค์ ด้วยความละเอียดรอบครอบด้วยความถี่ถ้วนที่จะให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับอาเมน